ให้ฝึกมาจากไหนกนะ็ เ, เดิมปฏิบัติแนวความลึกจะเริ่มเดิมทีแล้วก็ไปในอืิก็นี่มากาครั้งที่สามแล้วค่ะค่อยฝึกไปนะเมืนะ่อไรสติตัวจริงเกิดเนี่ยเรารู้ด้วยตัวเองเลยมันจะรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาจริงๆในโลกนะไม่มีคนตื่นจริงๆเลยในโลกมีแต่คนที่ตื่นเฉพาะตัวนะเฉพาะร่างกายแต่ใจเนี่ยฝันทั้งวัน ใจเราจะไปอยู่กับความคิดตลอดเวลาเลยรู้สึกไหมเราะมีไปคิดทั้งวันขณะที่เราไปรู้เรื่องที่เราคิดเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจนั้นหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจจนะยากที่สุดนี่พอจะมารู้สึกกายรู้สึกใจก็แทนที่จะรู้สึกนะมักจะไปเพ่งกายเพ่งใจซะอีกละเนี่ยมันจะสุดโต่งอย่อย่างนี้ถ้าไม่เผลอไปใจลอยไปเลยหรือ ไ, ไปคิดเรื่องอื่นเลย พอจะมารู้กายก็มาเพ่งกายเพ่งใจมีการปฏิบัติที่ถูกจริงๆคือรู้รู้กับเพ่งก็ไม่เหมือนกันเพ่งนี่มันเริ่มมาจากเบื้องหลังการเพ่งก็คือตัณหาอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็เกิดจงใจทำจงใจทำก็สติเข้าไปควบคุมไว้กำหนดไวไ้ไะไรไว้ดีใจเราก็ถล่ลงไปแช่ไว้ ต้งแรกที่โยงมากับพระอาจารย์โยงก็ได้จากพระอาจารย์ตนี้เชอสักการว่าเอพระอาจารย์ที่แน่วตรงนี้ทิงแล้วโยงก็ไปแก้มาแก้ได้ก็เป็นสิงอะไรนะก็ยังก็ยังมีผ้าก็ยังยังติดอยู่นะยังไม่หมดใครดูตรงเนี้ยนะดูไปโยมปฏิบัติแล้วยังมียังมียังไม่ยงสะดุแต่อย่างพระอาจาปฏิบัติแล้ไปดีคือใครั้งที่ กำหนดปฏิบัติได้ดีตอนเรื่องตอนเรื่อกาติดกันใ่ม็ยมีอย่างนี้คือโยมยังติดอุปทานใหมค่ะอาจารย์ก็มีตอนนี้คือดูจิตแล้วเห็นความตึงใช่ไหมค่ะเราลงมก็ผ่อนผ่อนด้วยการคืออันนี้คือความตั้งใจยงใจทำว่าทำตอนจิตผู้ผ่อนผ่อนด้วยการทำความรู้สึกแล้วก็บางครั้งก็ แจะเห็นความตึงมันก็หายไปคือตึงนี่มันจะตึงติดติดกันว่าจาังหรือไม่ใช่ตึงนิดเดียวแล้วหายไปคือตกันคือตึงตึงนี่เกิดจากความจงใจใเมื่อไร่จงใจปฏิบัติแนละ้จะตึงขึ้นมาหรือบางครั้งจิตเราไหลไปพอเรารู้ว่าไหลไปปุ๊บเราดึงคืนถ้ามีการดึงปุ๊บนะจะตึงขึ้นมาแข็งแข็งนะมันเกิดจากใจของเราเนะี่ยแหละทําขึ้นมามีตัณหาก่อน มีตัณหาก็คืออยากจะปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็เข้าไปควบคุมจิตไปตอนนี้ขณะนั้นก็ได้ทำความรู้สึก ด, ด้วยการไม่ไม่ไม่ไม่แท่ง อ, อะไรด้วยใช่ไหมคไม่ใช่แท่งมันตรงนั้นคือตรงที่รู้เนี่ยนะให้รู้เฉยๆนะอย่าไปคิดแก้มันของโยมยังคิดจะไปแก้มันอยู่คิดจะแก้มันตรงนี้ก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่ถู ก, ยถกอยากแก่นะก็คือตัณหาเหมือนกัน อยกแก้เป็นตันหาเพราะนั้นโยมดูตรงเนี้ยใจเราอยากแก้ไม่ให้ตึงนะให้รู้ทันใจที่อยากเลยนะตึงเป็นอดีตนะ้ mm hmm. ปัจจุบันนะกําลังอยากอ ย, กอยกูนะ่รู้ลงปัจจุบันรู้ใจที่อยากจะแก้พนะอความอยากแก้ดับปุ๊บไอ้ที่ตึงก็ดับไปด้วยนะตึงมันเป็นอดีตอยู่แล้วาเราไม่ชอบมันนะจิตของเราไม่ได้มีส ต, ติจิตเรามีโทสนะจิตเราไม่ชอบจิตไม่ชอบความตึง เราอยากเบานี่อยากเบาแล้วก็พยายามปฏิบัติด้วยเรพยายามปฏิบัติจงใจปฏิบัติแล้วก็ไปตึงความรู้สึกไว้มันก็แข็งแข็งตึงๆึงขึ้นมาพอตึงตึงขึ้นมาพอสติเรารู้ว่าตึงเนี่ยเรารู้แบบไม่เป็นกลางเรารู้แบบเกลียดมันด้วยอยากให้หายพออยากให้หายเนี่ยหาทางแก้บางคนหาทางแก้โดยการทําใจกว้างๆทาใจลอยลอยอันนี้ก็แกล้งทาทั้งหมดเลย ความจริงก็คือจิตกําลังไม่ชอบมันอยู่ให้รู้ทันจิตที่มันไม่เป็นกลางเนี่ยถ้ารู้ทันจิตไม่เป็นกลางจิตเกลียดความตึงจิตเกิดเป็นกลางเพราะไอ้ที่ตึงก็จะหายไปด้วยสงบลงๆจิตมีนิจธรรมคือจากั้นการที่เราเป็ น, น, น ต, ปตั้งใจแทนว่าให้มันผ่อนก็ไม่ถูกก็มไม่ถูกนะไม่ถูกที่สุดก็คือตามคว า, ามรู้สึกเฉยๆ ด, ดูทุกอย่า ง, างตามที่เขาเป็น ตึงก็รู้ไม่ต้องแก่นะไม่ต้องแก่ไม่ต้องทิ้งด้วยนะไม่ต้องิงด้วยก็ดูด้วยใจที่เป็นกลางจับหลักอันนี้เลยว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตนะมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันเมื่อใจของเราไปรู้ธรรมอารมณ์อย่างใจเราไปรู้ว่าตึงเนี่ย จิตเราเกิดยินดียินร้ายนี่เรายินร้ายอันนี้เราไม่ชอบให้มีสติรู้ทันความไม่เป็นกลางของจิตความยินดียินร้ายเนี่ยเมื่อใจรู้ธรรมารมความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันนั้นจิตจะเป็นกลางพอเป็นกลางเราก็รู้สภาวะธรรมทั้งหลายนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะหนักจะเบานะจะอ่อนหรือจะแข็งจะตึงอนะไรรู้ได้ใจที่เป็นกลางนันง เราจะเห็นเลยว่าสภาวธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของที่บังคับไม่ได้โยมเห็นไหมว่าความตึงเราอยากแก้มันไม่ยอมทําไมมันไม่ยอมมันสอนธรรมะเราจิตเขาสอนธรรมะให้เราดูว่าเธออยากมาบังคับชั้นนะไม่สําเร็จหรอกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับมันถึงจะดับความตึงเนี่ยเกิดจากเราพยายามเข้าไปแทรกแซง ไปบังคับใจตัวเองตราบใดที่ยังบังคับใจตัวเองอยู่ก็ยังตึงอยู่งั้นเหตุของมันยังมีเขาสอนธรรมะเรานะว่าบังคับไม่ได้งั้นแต่เราอยากบังคับรู้สึกไหมเราอยากแก้เราจะเอาวันนี้เราจะไม่เอาวันนี้เราชอบอันนี้เราเกลียดอันนี้งั้นให้รู้ทันตรงที่ใจของเราเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็ชังเดี๋ยวชอบอันนี้เดี๋ยวเกลียดวันนี้นะ เดียวมีโลภะเด๋ยวมีโทสะในใจเราจะไม่เป็นกลางเวียนตลอดนี่เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเลยตาเห็นรูปจิตหมันไหวยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายรู้ทันใจไปรู้อะไรเข้ากระตำแตะ เ, เรียกว่าทำมารม์ทั้งหมดสิ่งที่ใจไปรู้เนี่ยเมื่อใจไปรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จิตเกิดยินดียินร้ายนะก็ะมีหน้าที่รู้ทันอีกเนะช่นเราปฏิบัติไปวันนี้จิตใจเราเบิกบานผ่องใสเรายินดีพอใจ ให้รู้ทั น, นโลภะเกิดลรักะเกิดเพราะงั้นไม่ว่าใจไปรู้อะไรเข้าการู้ทันใจของเราที่มันไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาแต่อย่าไปทำให้เป็นกลางนะทำขึ้นมาอีกก็ผิดอีกให้รู้ไปให้เขายินดียินร้ายไปไม่ห้ามเขาแต่พอเขายินดียินร้ายขึ้นมาแล้วเรารู้ทันถ้าเรารู้เข้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ใจจะเป็นกลาง ความเป็นกลางของจิตเนี่ยเป็นประตูของมรรคผลนิพพานเพราะการปฏิบัติเนีย่ยจุดสุดยอดเลยของกรรมฐานก็คือสังขารุเปกขายานจิตเป็นกลางกับสังขารจิตเป็นการกับเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งปวงเลยนั้นหนักๆ เ, เนี่ยจิตไปเกลียดมันเนี่ยจิตไม่เป็นกลางรู้ทันจิตจิตเป็นกลางรู้ว่าหนักใจใจเป็นกลางนะจิตใจเป็นกลางรู้ว่าเบาจิตไปยินดีรู้ทันอกีก นะความยินดีดับไปจิตเป็นกลางในที่สุดจิตก็เป็นกลางกับทุกๆสภาวะความสุขมาก็ไม่หลงเพลินไม่ยินดีเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไปแต่ปินจิตเป็นกลางอยู่นะความทุกมาก็าไม่เกลียดมันรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปจิตก็เป็นกลางอีกนะจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อจะอะไรก็ได้ขอให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้แล้วจิตหลงยินดีร้ายรู้ทันรู้ทันแล้วเป็นกลาง ในที่สุดจิตก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางกับสังขารทั้งปวงความปรุงแต่งทั้งปวงธรรมะที่หยากหรือธรรมะที่ละเอียดธรรมะภายในภายนอกธรรมะที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศ ล, ลหรืออกุศลที่เท่าเทียมกันนั้นจิตจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเ ท, าเท่าเทียมกันหมดเลยจิตจะไม่ดิ้นรนตรงที่จิตมันไม่ดิ้นน่ะมันจะหลุดหลุดตรงเนี้ยจิตหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนนะมรรคผลที่เกิดก็เกิดตรงนี้ เพราะงั้นไม่ใช่มรรคผลเกิดเพราะว่าเราไปฝึกจิตให้ดีนะไม่ใช่ว่าจิตไม่ดีทำให้ดีถาวร อ, อยู่อย่างนั้นแล้วบรรลุมรรคผลไม่ใช่นะแต่บรรลุมรรคผลได้เพราะว่าจิตนี้เป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้าถูกกลาเป็นกลางอันนี้คือจุดที่ทจะขึ้นไปได้ขึ้นไปบรรลุมรรคผลเนี่ยนะจุดสุดยอดของวิปัสสนาญาณที่เป็นโลกยะนะ ก็คือตัวสังขารู้เบกขานี่เองเพราะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะดําเนินของมันเองละเมื่อจิตเป็นกลางกับทุกสภาวะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะถ้ากําลังพอเนี่ยกําลังเพียงพอแล้วจิตจะรวมก็อัปปนาสมาธิด้วยตัวของเขาเองเมื่อจิตรวมเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับขึ้นสองขณะมั่งสามขณะมั่งจิตจะสักว่ารู้สักไว้เห็นไม่คิดไม่นึกอะไรเลย จะสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่สองสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่คนถ้าคนไหนปัญญาแก่กล้าตรงนี้เห็นสองเองเห็นสองจิตก็เกิดมรรคแล้ตัดล้วบางคนที่ปัญญาไม่แก่กล้ามากนักเขาเห็นสามครั้งถึงยอมตัดนั้นสภาวธรรมมันจะเกิดสองขณะบ้างสามขณะบ้างถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะวางการรู้สภาวธรรมนะควรกระแสะเข้าหาธาตุรู้ตรงที่ มันเห็นสภาวะสองขนาดสามขนาดเนี่ยเขาเรียกว่าอนุโลมญาณมีชื่อว่าอนุโลมนิกญาณ น, <Okay, S 1> นะแต่ตรงที่เขาปล่อยสภาวะพอเขาปล่อยสภาวะที่เขารู้อยู่เนี่ยเขาไม่ใช่ปุถุชนแล้วแต่เขาทวนกระแสะเข้ามายังไม่ถึงธรรมชาติรู้ของเขาก็าไม่ใช่พระอธิยะตรงเนี้เป็นคาบลูกคาบดอกเรียกโคตรปูยญาเป็นโคตรปูยญา เสร็จแล้วพอทวนกระแสถ้าถึงธาตุรู้เนี่ยมันดับให้ดูเลยตัดให้จะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับหมดเลยใช่ค่ะโยมปฏิบ <c oughs> ัติแล้วกมีบางวันที่เห็นมีแต่ความคิดชอบไม่ชอบโินี้อ่นี้พอเห็นมากๆเข้าโทสะจะเกิดคือไม่<ถ>ชอบมันมนั่นเบื่อ<ต>ก<ๆ>็เป็นโทสะตัวนึง อ่าคือยมสังเกตให้ดีเราเบื่อถ้าเป็นเบื่อด้วยโทสะนะกับเบื่อด้วยนิพิทาเนี่ยไม่เหมือนกันเบื่อด้วยโทสะเนี่ยจะเบื่ออันนึงจะไปรักอีกอันหนึ่งเช่นเบื่อเบื่อทุกจะรักสุขอยากได้สุขแล้วเบื่อความฟุ้งซ่านเจะอยากจะได้ความสงบอย่างนี้ยังเบื่อเป็นกิเลสอย่างนี้ใช้ไม่ได้มีเบื่ออีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพิทาเนี่ยเบื่อความปรุงแต่งทั้งหมดเลย เห็นความสุขก็หน้าเบื่อเพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นความทุกขก็หน้าเบื่อเสมอกันถ้าเบื่ออย่างเนี้ยในที่สุดใจเป็นกลางเลยใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางลงเยอะรู้สึกมีความรู้สเข้าใจประการหนึ่งดีแล้วรู้สเบื่อในวัจักรต่างๆแตเห็นจิตมันจะสิ่งเหลนี้แต่จิตยังติดอยู่กับความเบื่อนะอยังไม่ผ่านตรงนี้ยังไม่เป็นกลางยังไม่ชอบยังไม่ชอบอยู่นะจิตยังติดอยู่สังเกตไหมใจมันไม่โล่ง เนี่ยไม่เปิดโล่งออกมาให้ดูความเบื่อใ ห, ให้รู้ทันความเบื่อนะความเบื่อก็ของถูกรู้อีกอันในที่สุดความเบื่อดับไปจิตเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเลย<อ>นะแต่ไม่ได้บังคับให้หายเบื่อนะไม่มีการบังคับสักนิดเลยมีแต่ตามรู้ตามดูเรื่อยๆให้เราหยุดยิงให้ดูความเบื่อไปเร่ยอยๆดูไป<อ>ก็เห็นอีกความเบื่อเป็นนมามธรรมอันนึงที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้เป็นะของแปลกปลอมเข้ามา โยมมัมจกจะทิ้งเลยคะพอเห็นความเบื่อนี่หลายๆครั้งโยมก็ทิ้งไปเออเราถูกหลอกล ะ, ะเราเราถูกหลอกให้เลิกปฏิบัติงั้นความเบื่อบางคนจะเบื่อนะเฝ้ารู้เฝ้าดูความเกิดดับเนี่ยดูไปดูไปบางคนเบื่อบางคนกลัวรู้สึกโลกนี้เต็มไปด้วยของน่ากลัวะหาที่พึ่งอะไรไม่ได้เลยบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ดีเลยอางารวัตเนี่ ย, ยใจยังเจือด้วยโทสะทั้งหมดเลย อย่งนั้นตามรู้ตามดูเขาไปอีกจนกระทั่งเป็นกลางคาวกําหนดได้ดีแต่พอวันเล่ขึ้นเนี่ยเติมขึ้นมาเนี่ยอย่างมันก็ดังเพิ่มขึ้นนะแต่พอไปเรือีกวันเย่างถ้าลดลงเบาๆจะไม่ดีอย่างนี้เขาแสดงค่าไม่เที่ยงให้ดูเขาแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะจริงๆอยู่ที่กายัใจของเรา ธรรมะไม่อยู่กับพระไม่อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่อยู่กับวัดนะไม่อยู่กับหนังสือธรรมะของจริงอยู่ที่กายกใจของเราให้มีสติรู้อยู่ที่กายที่ใจเรื่อยๆกายกใจจะสอนธรรมะของจริงให้เราดูอย่างร่างกายเนี่ยสอนเห็นความทุกข์เกิดขึ้นทั้งวันในในร่างกายนี้หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กายมันแสดงธรรมะให้เราดูนี่เราอยากได้สุขใจเราไม่ยอมรับธรรมะ การแสดงความเป็นก้อนธาตุให้เราดูเราอยากให้มันเป็นตัวเราทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นวัตถุของโลกจิตใจก็เหมือนกันเราอยากให้จิตใจดีถาวรใช่ไหมอยากให้จิตใจหลุดพ้นอยากให้จิตของเราดีนั่นแหละเพื่อเราจะได้มีความสุขแต่ว่าถ้าเราเฝ้ารู้จิตเนี่ยจิตจะแสดงความไม่เที่ยงให้ดูทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแสดงอนัตตาด้วยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้เนี่ยเ้าสอนธรรมะเราแต่เราชอบปฏิเสธธรรมะ เรากะว่าจะให้มันดีถาวรไม่เอาเสื่อมจอาอ้าเจริญอย่างเดียวเขาแสดงของจริงให้เราดูเราไม่ยอมรับงั้นเราเฝ้ารู้ไปเพื่อจะได้ยอมรับของจริงนะไม่ใช่เฝ้ารู้เพื่อจะดีถาวร น, นะเพราะคําว่าถาวรไม่มีหรอกคือโยงสงสัยตรงนี้คะว่าให้การแก้ปัญหาหรือปฏิบัติตรงนี้ให้ถูกหรือไม่ก็ไปเอาทุเกณฑไม่ได้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ถ้ายัางคิดแก้อยู่เนะี่ย ไม่ถูกล้นะให้รู้ตามที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงนะอย่าทิ้งหลักตรงนี้มีศัสนาเนี่ยให้เรารู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปนะอย่างร่างกายเนี่ยนั่งยืนเดินนั่งนอนเราไปรู้สึกไปเราเห็นว่าไอ้วัตถุตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เคลื่อนไหวได้วัตถุ ก, ก้อนนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยอย่างหายใจเข้าแล้วไม่ใหายใจออกก็ทุกข์นะ เราต้องหายใจออกแก้ทุกข์เรหายใจออกแล้วเรื่อยๆไปก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกแล้วนั่งก็เมื่อยเใช่ไหมต้องเดินต้องยืนอันนี้แก้ทุกข์อีกฉะั้นตัวนี้ปวทุกข์จิตใจก็เหมือนกันแล้วก็แสดงความแปรปรวนตลอดรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปแก้เขาถ้าเราแก้เราจะมันคือเรื่องของสมถะการแก้จิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบส่วนวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องการแก้ แต่เป็นการดูของจริงเข้าไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวเรานะต้องการให้เห็นตรงนี้ไม่ได้แก้นะไม่ได้เอาดีอาจารย์จะพูดถึงที่การพอเห็นจิตขนานั้นดับเราเห็นรู้ขนาดนั้นมันดับไปแล้วนั่นคือต้องรู้ดับดับไปแล้วแล้วค่อยรู้นะรดับไปแล้วนะอ่ารู้ทีหลังติดต่อเพื่อนซื้เหมอนกับกระชั S 1> <S 1> <S <S ใช่ใช่ใช่ดับไปแล้วอ่าดับไปสดสดร้อนร้อนเราก็รู้ร้อนราใช่ใชถูกต้องแล้วบางครั้งก็จะสติเคลื่อนชก็จะเห็นไปคอไป่อยับไปสักหน่อยเรากจะรู้ก็อก็ถูกใช่มก็ถูกนะแต่ถูกน้อยหน่อยถ้าของจริงเลยก็คือว่าอย่างพอเผลอไปเนี่ยสติระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไม่มีอะไรมาขั้นนึกได้เลยอ้อเผลอละโกรธขึ้นมา สติระลึกได้เลยว่าอ้าวโกรธไปแล้วเมื่อกี้นี่โกรธนะจิตดวงแต่กี้โกรธ จ, จิตดวงนี้รู้ว่าแต่กี้โกรธเสร็จแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตแต่กี้รู้สึกตัวนะจะรู้ตามหลังตลอดเลยการดูจิตเนี่ยดูตามหลังดูติดติดติ ด, ต, ด, ต, ดติดไปเลยนะแต่ดูไปสบายๆนะถ้าดูแล้วรู้สึกฟุ้งซ่านเนี่ยทําใจสบายทําความสงบพักผ่อนแสดงว่าฟุ้งซ่านละทําใจสบายๆพักผ่อนดูท้องห้องท้องยุบ อ, อ, อ, อ, อะไรก็ดูไปที่เคยทํา ใช่ใช่ต้องตามรู้นะจิตนะถ้าถ้ากายเนี่ยรู้รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันเลยเห็นมันต่อหน้าต่ตาเลยไอ้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไอ้ที่กําลังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมแต่ดูจิตเนี่ยดูตามหลังแต่ต้องตามติดติไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้ไม่ได้ใช่ดูลึกรู้อนั้นไหใช่ดูลึกรู้เนืองเอ ง, งนะตรงเนี้ย ถ้าเราเรารึกตรงนี้เป็นแล้วหน้าที่ของเราเหลืออันเดียวคือทำเนืองๆทาบ่อยๆเนี่ยพระภูรีกรตาทําให้เกิดเนืองๆนะงั้นของคุณก็ดูถูกแล้วล่ะเห็นไหมมันดูลงปัจจุบันไม่ได้หรอกมันดับไปแล้วถึงจะรู้ขึ้นมาคานะรู้อย่างนั้นแล้วจะไม่ตึงด้วยไม่ตึงเล ย, เลยสบายๆอ่าที่ตึงก็คือพยายามจะรู้ลงปัจจุบันให้ได้ไปจ้องมันะถ้าจ้องเมื่อไหร่หรือบังคับเมื่อไหร่นะก็จะตึงขึ้นมานะให้ตามรู้ไปอย่าดักไว้ถ้าดักรู้นะ ก็จะตึงขึ้นมาเพราะทําผิดละ่ะคําว่าการตามรู้จิตเนี่ยเป็นคําในสติปัฏฐานเย่ยจิตตามรู้ปัศนาแปลว่าการตามรู้จิตปัสนาคือการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามตามรู้ตามเห็นจิตเนืองเนืองเรียกว่าจิตตามรู้ปัสนาจะตามรู้ไปเนืองเนืองในที่สุดจะเห็นเลยว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยเช่นจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับ ทุกสิ่งมีแต่เกิดแล้วก็ดับวันหนึ่งจิตเนี่ยประจับแจ้งในธรรมะข้อเนี้จิตยอมรับความจริงข้อนี้นะเรายังเข้าถึงธรรมะจะได้ดวงตาเห็นธรรมยอมรับเข้าถึงตรงนี้ขณะที่ปฏิบัติว่ามันมีแต่เกิดับแล้วเราบังคับไม่ได้อ่าต้องดูอย่างนเนี้ยขณะที่นั่งเกานั่งห้จ์ก็เห็นจิตห้ามไม่ได้ทตรงนั้นอย่างนั้นขณะปฏิบัติอย่างนั้นจะนใช่ถูกต้องที่สุดเลยนะ จะไปนักนั่งดักดูไว้ก่อนนี่ผิดเลยนะอย่าไปดักดูนี่นึกออกไหมที่เราเคยทำกรรมฐานเก่าๆเราดักดูเราไปเอาละต่อไปนี้ข้อระคางแก้งเริ่มปฏิบัติแล้วก็นั่งเริ่มนั่งเฝ้าแล้ ว, ลวเคยดูตรงนี้ไม่สุกอย่าเครียด ถ้าเมื่อไรจิตใจเราหนักๆเนี่ยต้องรู้นะจิตที่หนักเป็นอากูศุลจิตจิตที่เป็นมหากูศุลจิตนะเบามีลหูตาจิตที่แข็งๆเป็นอากูศุลจิตจิตที่เป็นกูศุนอ่อนโยนมีมุทุตานุ่มนวลรู้สึกไหมตรงที่เราตามรู้จิตนุ่มๆจิตเบาๆจิตอ่อนๆจิตสบายนะเบิกบานอยู่ในตัวเองรู้สึกไหมทําไมมีความสุขขึ้นมาได้ ตามรู้เฉยๆทําให้เกิดความสุขเพราะสติมันเกิดสติมันเกิดจิตมันเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขนะเพราะมหากุศลและจิตเนี่ยเกิดร่วมกับโสมนัสเวสนากับอุเบกขาไม่มีความสุขขึ้นมานะก็เฉยๆเฉยๆแบบอ่อนโยนนะไม่แข็งแข็งเลยถ้าเมื่อไร่จิตแข็งแล้วก็ต้องรู้นะว่านั่นอกุศลนี่พวกเราลําบากมากเลยเราศรัทธาในศาสนา เราพากันลงมือปฏิบัติแต่เราทำผิดที่พระพุทธเจ้าสอนจิตของเราจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึม ซ, มซึมทื่อๆขึ้นมาลกลายเป็นอกุศลและจิตปฏิบัติมากๆการสมาธิเยอะปฏิบัติมากๆจะตกนรกปิติเลย อ, อ่นะมันลำบากตั้งแต่ยังไม่ตายและวงั้นแต่ว่าตามรู้ไปเรื่อยใจจะยิ่งเบาอ่อนโยนนุ่มนวลเลยเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหมดนะไหลมาไหลไปหมดเลยจะเห็นความสบายสบย อ่านะต้องอย่างนันะดูไปเรื่อยเรือยอ่ะคุณสุวิทย์ว่าไงคุณสุวิทย์มีอะไรไหมก็มันเป็นคที่ที่ที่าคนมคือเราต้องมีเครื่องช่วยนะมีตัวช่วยคือต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ เราต้องหาอารมณ์มันหนึ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วสติเกิดบ่อยๆแล้วค่อยะระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆอย่างบางคนร่างกายเนี่ยถนัดที่จะรู้ร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวไปแล้วฝึกซ้อมไหมนะเรากระดูกกระดิกแต่และ ว, วันเนี่ยเราซ้อมไหมนะเวลาเคลื่อนไหวเราจะคอยรู้สึกตัวไม่ใจลอยไม่ไปเพ่งไว้ด้วยไม่เผลอไปหรือไม่เพ่งไว้รู้อยู่ที่กายไปเรื่อยๆ เนี่ถ้าเราหัดรู้อย่างนี้ต่อมาพอเราเผลอเผลอปุ๊บเราเกิดขยับตัวเพราะจริ ง, รงๆเราขยับตัวทั้งวันนะ่ะขยักหน้าเกลือ น, น้ําลายเหลียวซ้ายแไรไปเราขยับทั้งวันนี้พอเราเผลอปุ๊บแล้วเราเคยรู้กายที่เคลื่อนไหวเนะี่ยสติมันจะเกิดเองเลยพอหันปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดความรู้สึกตัวจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะเราต้องมีเครื่องอยู่อันหนึง่งเป็นวิหารธรรมบางคนก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรม คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตทั้งวันเลยถ้ามีสันทะที่จะดูจิตนั่นก็ดูทั้งวันแล้วพอจิตมันไหวแวบสติมันจะเกิดเองเลยส ต, ติต้องเกิดเองสติที่แกล้งทำให้เกิดสั่งให้เกิดไม่ใช่ของจริง มันต้องรู้ไม่ทันคุณสุวิทย์ความโกรธมันผุดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ได้นะนอ๋อ อ, ออย่างนี้ไม่ดี อ, อย่างนี้เรียกว่ารู้ไม่ทั น, นอย่างโกรธเมื่อวานวันนี้นึกได้อย่างนี้ไม่ได้คือภายในเวลาไม่เกินคือพอกยทพอ่ อ, อย่างนั้นดีนะ คือรู้ทันตรงไหนก็ดีตรงนั้นแหละคือสุวิทย์เราสั่งให้สติเกิดก็ไม่ได้นะเพราะงั้นเราจะไปเจตนาว่าจะต้องรู้ได้ไวๆนะเราก็สั่งไม่ได้ถ้าคิดจะสั่งเดี๋ยวเราเครียดไม่โกรธไปห้านาทีแล้วก็รู้ว่าโกรธก็ยังดีนะได้คะแนนในห้านาที <laughs> ดีกว่าสามวัน เดี๋ยวนะขอเวลานิดนิดมาจากพลังเสรนะเดี๋ยว <c oughs> ของคุณสุวิตซ์มีอะไรอีกไหม คือถ้าเราให้ใจของเรานะเค้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์ใสกุศลเรื่อยๆสติเราก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นอย่างแต่ละวันเนี่ยเราไปคิดถึงพระคิดถึงวดัดแทนที่เราจะไปคิดเรื่องอื่นเราไปคิดถึงทำไม้คิดถึงวดัดคิดถึงพระเวลาคุยกันเราคุยเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีโอกาสเราไปวัดเป็นตั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยให้ใจเราไปคิดถึง อย่างบางคนเนี่ยนึกถึงอาตมาปุ๊บสติจะเกิดเลยพอนนึกถึงอาตมาจะรีบรู้สึกตัวบานทีตัวแข็งไปเลยนะ <c oughs> ตกะใจนึกอยู่ที่บ้านจะแข็งเลยนะ มันมันห้ามไม่ได้คือกุศลหรือกุศลจะเกิดเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้นี้ถ้าจิตใจเราโน้มอยากเกิดกุศลกุศลมันก็เกิดบ่อยดันั้นเราก็หัดให้ใจของเราเข้าเคลียในอารมณ์ฝ่ายกุศลบ่อยๆคือแทนที่เราจะไปคิดถึงอะไรเรื่อยๆไปนะเราก็ไ่คิดถึงธรรมะบ้างอะไรบ้างอย่างสมาเนี่ยมันมีชันทะที่จะปฏิบัติ ฉันทากับตัณหาไม่เหมือนกันตัณหาเนี่ยขี้เกียจปฏิบัติจะอยากได้ผลอยากสาเร็จเร็วๆนี่ขี้เกียจปฏิบัติจะอยากได้ผลงั้นเวลาลงมือทำนี่จะทําอุตรุดไปหมดเลยนะทําแบบจําๆๆเอารีบๆยให้มันเสร็จเร็จวังผลนะแต่ถ้ามีฉันทาเนี่ยพอใจที่จะทําเหตุไม่คํานึงถึงผลตอนที่อาจารมาไปหาหลวงปู่ ด, ดูลท่านสอนบอกว่าให้ดูจิตตัวเองรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลย ทำไมเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตของตัวเองมันเกิดฉันทะรู้สึกสนใจพอสนใจเริ่มจะเฝ้าดูจิตของตัวเองทั้งวันไม่ต้องมีใครสั่งอาจารย์ไม่เคยมาเตือนเลยว่าขยันดูนะเลยไม่มีเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีชันทะมันอยากดนะูมันรู้สึกน่าสนใจเพราะฉนั้นพอมีชันทะมีความสนใจวิริยะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักจูงให้เกิดนะมีวิริยะเกิดขึ้นแล้วม่นขยันดู เรขยันดูเนี่ยจิตใจจะจดจอด่อแต่เรื่องคอยดูตัวเองอนี้นน่คือจิตตะนะวันวันหนึงก็คอยแต่จะสังเกตตัวเองเวลาจะคิดจะนึกอะไรก็ไม่ไปคิดนึกเรื่องอื่นใครคิดคอยนึกคอยแต่พิจารณาจิตใจตัวเองไปเรื่อ ย, ยวิมังสาความไภครวญจะเข้าเคลียจิตใจจะเข้าเคลียอยู่กับการที่จะดูจิตตัวเองมันเริ่มมาจากเรามีฉันทะ คือสิ่งที่ขัดขวางเราก็เรียกว่ามารนะหมดมารมันขวางการทำดีของเรานะมารมีหลายแบบมารพวกเทวพุตตมารหมายถึงคนอื่นนะมาขัดขวางเราก็มีนะกิเลสของเราขัดขวางตัวเองก็มีเรียกกิเลสมารนะความคิดของเราขัดขวางตัวเองก็มีเรียกาอภาิสังขารมารนะนะหรือเราอยู่ไปตายไปเลยนะมัจจุมารอนะไรเงีนะ้ยงั้นมาน มันเกิดขึ้นเรื่อยๆมานส่วนใหญ่เกิดจากเราเองโดยเฉพาะกิเลสเราและความคิดของเราแล้วก็ขันธมานก็อยู่กับตัวเรานี่เองเช่นพออายุมากขึ้นมันจะเลือง่ายหรือบางทีมันนอนไม่หลับะทําให้ซึมซึมเบื่อ อ, อะไรเงี้ยมันเริ่มภาวนาลําบากขันมันเริ่มรบกวน น, าา น, นี่แหลขันธมารอย่าหัดไม่แต่เด็กนะเอย่าคิดว่ายัางหนุ่มนะแป๊บเดียวก็แก่แล้ว เชการนอมผิดเข้ามาอันนั้นก็เป็นความไรงจำใจจงใจนะจงใจทำตั้งใจทำก็ยังไม่ถูกยังนะัยังน น, นท่แล้วใจนอนผิดเข้ามาอันนั้นถยังจบใจไหมอันไหนนะอะไรวนะ่าให้นอิค่อยๆนอิเข้ามาค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านกระจายกระจายไปนะต้องค่อยๆกลับเข้ามาทำความรู้สึกตัวเข้ามา แต่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อมจิตไปทําอะไรหรอกน้อมให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิาเป็นเรื่องของสมรรถะไม่ผิดสินะแต่ต้องรู้นะว่าเราน้อมเพื่ออะไรจิตใจของเราแตกสัน้นฟุ้งสัานไปแล้วแล้วก็รวบรวมมันกลับเข้ามาเป็นสมถะถ้าน้อมไปามากๆมันกลายเป็นกลายเป็นเพ่งอ ก, นะก็เยอะไปแล้วก็ดูทํานิดหน่อยน้อมเบาๆน้อเบาๆนะ เขก็คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจเราใจจิตใจของคุณมันยังกระจายอยู่มันยังฟุ้งซ่านรู้สึกไหมมันไม่ค่อยมีความสุขอะรู้สึกไหมก็คอยรู้ไปแต่ถ้ามีสติขึ้นมามีความสุขทันทีเลยรู้สึกไหมพอ ม, นะมันรู้สึกตัวขึ้นมานะโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ว่ามันตามรู้ไป ง, องี้นะมันตามรู้ของมันเองปุ๊บมันจะมีความสุข ข, ขึ้นมาสบายใจ ใจเบาๆบสบายไม่หนักไม่เครียดจิตคุณมันยังเครียดอยู่ ค, คุณพูนสีละ จริงๆก็คืออย่าไปจริงจังกับการปฏิบัติมากถ้าเราอยากปฏิบัตินะเราจะไปจ้องมันเงั้นเราก็ทําตัวปกติใช้ชีวิตปกติอย่างสวนลูกเราโทรมาเยี่ยมเราเราดีใจดีใจหรือว่าดีใจเีนะ่ยความดีใจเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจ้องไว้ก่อนพอความดีใจโผล่ขึ้นมาเราก็รู้ว่าดีใจนะความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเราค่อยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงให้มันเปลี่ยนไปก่อนเราก็ค่อยรู้ ปกติมันก็หลงง่ายอยู่แล้วนะอันนั้นเป็นแค่อุบายเป็นแทคกติกนิดเดียวนะไม่ใช้บ่อยหรอกที่ว่าทําใจเบาๆนะนานๆจริงตอนที่เครียดมากๆค่อยทําแต่ไม่ได้ทําเป็นปกติถ้าทําเป็นปกติแล้วนีไปเลยนะคืออย่างส่วนใหญ่คนปฏิบัติเนี่ยจ้องเอาไว้เลยจะเครียดเนี่เครียดแล้วก็โอ้จะทําไงจะหายเครียดนะ ยิ่งยงพยายามจะให้หายเครียดนะยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าแนัตตมา ถ, ถึงบอกว่าทําไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยลืมมันไปซะพอลืมเรื่องปฏิบัติไปนะใจมันจะเบาขึ้นมาแนละ้วใจมันเบาสบายแล้วก็มีสติรู้ว่าใจเราสบายนะแต่ไม่ไม่ได้ให้แกล้งทั้งวันอย่างนั้นนะอย่างนั้นไม่ได้คืออย่างถือว่าเราคิดเรื่องเนี้ยคิดเรื่องนี้แล้วมันเครียด จะไปห้ามมันไม่คิดมันก็ทําไม่ได้อะไรย่างเงี้ยหาเรื่องไปคิดเรื่องอื่นนะพอไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจมันเบามันสบายพอมันสบายเรารู้ว่าสบายเนี่ยค่อยมาดูจิตตอบไปเลยพอพอมันสบายแล้วเราดูได้แล้วนะก็ไม่ต้องไปแกล้งทําลอยๆอีกนะเดี๋ยวแกล้งต่อไปเดี๋ยวมันจะหนีไปละอแบบนี้ <c oughs> อ่าอย่างนั้นแหละ อ่าไม่เป็นไรอะไรก็ได้ที่จริงจิตของเรานะันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเราบังคับไม่ได้นะให้เห็นให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ไปอย่างสบายๆไม่ถล่ม้าไปรู้ด้วยรู้อยู่ห่างๆท่องไปท่องไป ก็ท่องอิทธิปิโสก็ได้นะอย่างน้อยจิตก็เป็นอารมณ์ไฝกุศลละท่องอิทธิปิโสไว้นี้ท่องไปแล้วจิตใจสบายรู้ว่าสบายท่องแล้วมันหนักรู้ว่าหนักต่อไปเวลาเราไม่ได้ท่องอตาเรามองเห็นเนี่ยตาเรามองเห็นรูปรูปนี้แทนอิทธิปิโสแล้วเห็นอย่างนี้เรารู้สึกสบายใจเห็นอย่างนี้ไม่สบายใจ ก็ม e ันสบายใจรู um> ้ว wow. ่าสบายใจนะเราพอใจไหมหรือว่าบางวันมันก็เหงาแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันโยบเคยฝึกมาจากไหนล่ะเรายมเนี่ยแต่มิพาหรือสอนแบบไหน จะออมาไม่รู้จักจังนะคือเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติมีสามัญมีสตินะมีสัมมาส ม, มาธิแล้วก็มีปัญญาสติเนี่ยเป็นความระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจของเราสติเป็นคนระลึกได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจงใจกำหนดไว้ก่อน มีสัมมาสมาธิเนี่ยแปลว่าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่สมาธิที่เพ่งจนกระทั่งนิ่งๆทื่อๆนะแค่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจรู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิเสร็จแล้วถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ใจลอยไปอะไรเกิดแปลกปลอมขึ้นในกายในใจสติคอยรู้ไปด้วย เรารู้ไปรู้ไปด้วยใจที่ตั้งมัน่นรู้สึกไปมากมเนี่ยในที่สุดปัญญามันจะเกิดปัญญาเป็นความเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะเฉะนั้นหลักของการปฏิบัติจริงๆก็มีอย่างนี้นะนี้รูปแบบแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็จะมีอุบายมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญ ใช้ปฏิบัติยังไงก็ได้หายใจหรือนับหนึ่งอะไรเนี้ยต่อไปนี้เอาใหม่หายใจนับหนึ่งนับสองอะไรก็นับไปนะหายใจไปแล้วจิตใจเราสบายรู้ว่าสบายหายใจไปแล้วใจฟุ้งซ่านหนีไปเที่ยวละรู้ว่าใจฟุ้งซ่านหนีไปแล้วอย่างขนาดเนี้หนีไปละใช่ไหมอันเนี้ยหายใจไปเราก็รู้ไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองนะไม่ใช่หายใจเอาเคลิ้มเคลิม เพราะว่าเราจะต้องคอยรู้กายรู้ใจตัวเองถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจตัวเองก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมิงเป็นไงมิงว่วงไหม <c oughs> เป็นไงภาวนาเป็นงนงบ้างมิง <c oughs> ดีขึ้นแล้วนะ ม, มิงดีแล้วล่ะแต่อไปมึงค่อยฉี่ขึ้นนะเป็นฉี่ขึ้นเองอะ่ะ คือถ้าเรารู้จักสภาวะธรรมเยอะๆนะสติก็จะเกิดได้บ่อยสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็รู้จักนะสติก็เกิดอันนี้เกิดขึ้นเรารู้จักแนละ้สติก็เกิดหัดใหม่ๆเราจะรู้จักน้อยต้องปลดแรงๆถึงจะรู้อะไรเงี้ยต้องฝืนไปนานๆก่อนถึงจะรู้เราไปสติของเราจําได้นะขัดใจเล็กๆก็เห็นละพอเห็นปุ๊บสติก็เกิดมิก็ต้องทํำไปสบายๆดีแล้วนะทําไป จริยธรรมเนี่ยจ็บคลิกแปลงมากเลยจะต้องดําเนินด้วยสติปัญญาเยอะๆหน่อยนะมันอยู่ที่สติปัญญาของเราในการเข้าไปแก้ปัญหานะทําไงจะแก้ปัญหาให้ได้นะโดยไม่ทําร้ายด้วยอนะไรเงี้ยหรือจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้ผิดศีลอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แท็กติกลนะในแต่ละสถานการณ์แต่ละเวลา คือมันมันจะต้องมีวิธีการที่จะแก้ปัญหานะปัญหาอันหนึ่งในะวิธีแก้ปัญหาจะมีเยอะแยะเลยนะอย่างมีปัญหาอย่างเงี้ยเราแก้ด้วยตัวเองไม่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ต้องให้กลุ่มมาช่วยแก้อย่างเงีนะ้ยไม่ใช่คิดคนเดียวแล้วไปจัดการคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างผู้ร้ายจะมานะ่ า, า จ, จะไม่ต้องไปมันจะมาขโมยในหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปดักตีผู้ร้ายคนเดียวเนี่ย อาจจะบอกคนในหมู่บ้านว่าผู้รายจะมาแล้วเขาก็ต้องช่วยกันดูแลคือมันอยู่ที่ศิลปะในการแก้ปัญหาของเราว่าทำยังไงจะแก้ปัญหาทางโลกได้ทางธรรมะไม่เสียยกตัวอย่างง่างยๆ อ, อ, อ, อย่างปลวกขึ้นกุฏิพระพระปล่อยให้ปลวกกินกุฏิหมดก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่รักษาเตนาสนะผิดซะอีกพระไปฆ่าปลวกก็ผิดอีก หรือว่ามดมาอยู่ในกุติเยอะแยะอะไรเ ง, งี้ยปล่อยให้มดอยู่ก็ผิดเป็นทำมด ต, ตายก็ผิดเงียไปแก้ปัญหายังไงที่จริงในพระวิัยก็ให้คอยดูแลอย่าให้มันโศกปลวกสินะคอยกวาดคอยดูไว้ปลวกมันก็ขึ้นมาไม่ได้อย่างเงี้ยมีนะบางวัด ร, รวยมากเลยปลวกขึ้นคุติไม้นะบอกว่ายกให้ปลวกกิน โยมเป็นไงโยมรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วสบายใจแล้วเนาะดีฟังไปเรื่อยๆนะใจของเรามันจะค่อยๆตื่นไปเรื่อยมิ้งก็ดีขึ้นเยอะแล้วเบาแล้วนะไปรู้ไปของน้ายิ่งสบายใหญ่เลยนะน้าไม่คิดเยอะนะดูลูกเดียวนะมีอะไรแล้วดูลูกเดียวเลยนะอย่างนีง่ายคนไหนปฏิบัติแล้วก็ลวดลายมากนะยาก ปฏิบัติซื่อๆง่ายที่สุดเลยนะคอยตามดูใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูมไปเรืยดูเท่าที่ดูได้โดยไม่ใช่นั่งเฝ้าแบบเคร่งเครียดไม่ทำอาหารกินไม่ใช่ดีแล้วนะทำไปแล้วใครซ่อนอยู่ข้างหลังอีกคนอแม่มิงเหรอเคยฝึกย่างนะต้องไปเล่าให้ฟังนะไปคุยกัน หัดดูนะหัดดูใจของเราโยมรู้สึกไหมใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันก็เบิก บ, บานแจ่มใสใช่ไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วใจเราไม่เหมือนกันสักวันให้คอยดูไปแต่ละวันเนี่ยใจเราไม่เคยเหมือนกันนะพอเราสังเกตออกแล้วว่าเออวันนี้แจ่มใสวันนี้เศร้าหมองเนี่ยต่อไปเราก็ดูให้ละเอียดมากกว่านี้อีกนะตอนตื่นนอนกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันโยมรู้สึกไหม ตอนตื่นนอนใหม่ๆกับความรู้สึกของเราตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนี้มันตื่นมากกว่าตอนที่เพิ่งตื่นใหม่ๆใช่ไหมตอนนั่งรถมาวัดกับเดี๋ยวนี้ใจก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมความรู้สึกไม่เหมือนกันอ่ะตอนทานข้าวกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนมาถึงวัดใหม่ๆกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยให้หัดสังเกตอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตใจเราไม่เคยเหมือนกันเลย นะตอนเช้าอาจจะขี้เกียจ น, นะนั่งรถม า, า จ, จะสนุกเพลิดเพลินมาถึงวัดอาจจะตื่นเต้นอย่าเงี้ยตอนไปทานข้าวอาจจะเผลอไปเลยนะมัวสักข้าวมัวทานข้าวลืมตัวเผลอไปนะตอนนี้จิตใจตั้งใจฟังธรรมะรู้สึกไหมจิตตอนนี้ตั้งใจเห็นไหมมีความสงบรู้สึกไหมจิตใจของเราสงบตั้งใจมีความสุขหน่อยหน่อยด้วยดูออกไหมเนะี่ยใจของเราเป็นยังไงนะเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไปดูไปเรื่อยๆ เ, เราจะรู้ว่าใจของเรานี่เปลี่ยนทั้งวันให้เฝ้ารู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนนะจนหลับเลยเท่าที่ทำได้ไม่ใช่ว่าต้องทำตลอดเวลานะอย่าทาทั้งวันอยู่ยเครียดทำเท่าที่ทำได้แต่ว่าให้มันบ่อยหน่อยอรู้จักเผลอใช่ไหมเผลอนะรู้จักไวดีที่สุดนะเผลอเนี่ยภาษาพระว่าขาดสติ เผลอเนี่ยขาดสติเวลาเผลอเนี่ยเผลอตอนไหนมั้งล่ะเราเผลอเวลาเราดูอะไรตอะไรเราก็เผลอนะเวลาเราไปฟังฟังเขาคุยกันเราก็เผลอใช่ไหมไปคิดตามเข้าไปนั่งคนเดียวเราก็คิดใจลอยไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ก็เผลองั้นเผลอมีหลายแบบเผลอมีหกแบบเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปริ้มรถอาหารเวลาทานอะไรอร่อยๆก็เผลอสึกไหม หรือเวลาเคยไปซื้อน้ําหอมไหมไปดมกลิ่นนี้กลิ่นนี้นะตอนดมเนี่ยเผลอนะเราลืมตัวเราเองรู้แต่กลิน่นลืมตัวเองนะงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเผลอทั้งวันเลยทายังไงเราจะคอยรู้สึกเรื่อยๆนะเผลออย่าให้ยาวอย่าให้เผลอยาวเคยใจลอยทีหนึ่งหลายชั่วโมงไหมเอออย่างนี้ไม่ดีนะต่อไปนี้พอใจลอยรีบรู้ไวๆนะยังเมื่อกี้หมองมิงใช่ไหม พอ ม, มองเขาเราก็ลืมตัวเราไปนิดหนึ่งเนะี่ยอย่างนี้เผลอดูนะถ้าเรามองเรารู้ว่าใจเราวิ่งไปอยู่กับเขาอย่างนี้ใช้ได้เลยนะอย่างนี้ดีที่สุดเลยนะอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมพอดูออกไหม <c oughs> <c oughs> อัตามาบอกเรารู้ไหมยอย่างว่าใจลอยไปอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหม เ, เรียนแค่นี้พอละ อาตมาบอกเราก็ดูออกนะแค่นี้ก็พอละต่อไปมันจะดูได้ด้วยตัวเองนะนี่เป็นการหัดดูเท่านั้นเองรู้จักใจลอยอยังเมียกำลังใจลอยไหมเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองเนะนี่ยเราจะลืมตัวเราเองทั้งวันได้กว่าเราขาดสติงั้นต่อไปนะเราไปดูเราก็รู้ทันว่าหลงไปดูละไปฟังรู้ทันว่าหลงไปฟังละไปคิดรู้ทันว่าหลงไปคิดลนะในส่วนเราจะตื่นขึ้นมา จิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวเรีกขิดตั้งมั่นดูใจของเราไปนะถ้าดูใจไม่ออกเราก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไปแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจเราหายใจไปหายใจไปใจลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยหายใจไปหายใจไปจิตใจแทบจะซึมซึมละรู้ว่าซึมซึมหายใจเพื่อจะรู้ทันใจ ยมรู้จักใจลอยอยังเนี่ยอย่างตะเกียะนะหักไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะตื่นแต่และคนน่ารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราลาเลยที่จะสนใจตัวเราเองเราสนใจแต่คนอื่นสนใจแต่สิ่งอื่นเราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองง่ายหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมแม่มิง <c oughs> อ่ะอัตมาบอกเราดูออกไหม <c oughs> ส็นเกตไม่ตอนที่เราไปคิดนะเรารู้เรื่องที่เราคิดใช่ไหมแต่เรานั่งอยู่ท่าไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมจิตใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องตัวเราเองม่อแต่รู้เรื่องที่เราคิดเรื่องที่เราคิดเหมือนฝันลมๆแรงๆไม่ใช่ของจริงเหมือนฝันลมๆแรงๆไปเท่านั้นเองก็คอยรู้สึกไว้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วใจลอยไปละยมรู้จักเผลอรู้จักใจลอยไม่ดึงไม่ดึง รู้ลูกเดียวนะฝึกอันเดียวเลยเอาบทเรียนที่หนึ่งรู้ลูกเดียวนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนบทที่สองบทที่สองก็รู้ลูกเดียวเหมือนกั น, น <c oughs> เพราะมีบทเดียวนะ <c oughs> เนี่ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่เนี้ยคอยรู้ทันมันนะให้มันหนีไปก่อนไม่ห้ามมันหนีไปก่อนแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วี่ยฝึกแค่เนี้ยแค่นี้ยากไหมไม่ยากล เพราเราไม่ได้ห้ามเผลอนะถ้าห้ามเผลอนี่สิยากเพราะไม่มีใครทําได้และจิตเป็ของห้ามไม่ได้แต่พอมันเผลอเรารู้ว่าเผลอนะให้เผลอไปก่อนแนละ้วก็รู้ว่าเผลอไม่ยากอะไรคุณศักวันนี้ดีเชียวเคยทําอะไรมา <c oughs> ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะเนี่ยค่อยตื่นเรื่อยๆนะไปดูไป ใจก็ไปสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างธรรมดาขอให้ตื่นก็แล้วกันบางวันเราก็เครียดเครียดเราก็รู้ไปเครียดแต่ละวันก็เครียดไม่เท่ากันสักวันหนึ่งอ่านอ่า น, นเป็นไงหนีไปอยู่สักไกลเลยเอ้าวหนุ่ม3ามคนว่าไงไม่ไม่เกียรดีแล้วตอนนี้ไม่ดีพอสบตาแนละ้วไม้แข็ง ไอ้ <ella> ของพวกกรีกใช่ไหมมันมีปีศาจ ต, ตัวหนึ่งอะศูนตัวหนึ่งใช่ไหมที่หัวเป็นงูใครไปดูเออเมดูซ่าใครไปดูแล้วแข็งเลยหล <ร system S 2> วงพ่อไม่ใช่เมดูซ่าะมนะั<ไห>นดูแล้วแข็งอะรู้จักใจลอยไมรู้จักเนี้ยรู้จักไปดูเขาแล้วลืมตัวเองไห ม, มนี่หัดไปอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเผลอเยอะ ถ้าเราไปดูเราไปฟังเราไปคิดเนี่ยทั้งวันนะเพราะงั้นเราเผลอทั้งวันเลยต่อไปนี้เราเผลอไปดูเราก็รู้ทันว่าเผลอไปดูแลเผลอไปฟังรู้ว่าเผลอไปฟังเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอไปคิดนะให้หัดรู้ทันอย่างเนี้ยตามรู้ไปด้วยไม่ดักไว้ก่อนไม่ห้ามต้องเผลอไปก่อนแล้ว ร, รู้ทีหลังแล้วจะไม่เครียดนะถ้าไปดักไว้อย่างมิ้งชอบไปดักรู้สึกไหมถ้าไปดักไว้ไม่สุกนะเนี่ยน้าใจลอยแล้วน้า อย่างนั้นแหละอั น, นั้นนะ่ะรู้สึกจริงๆใช่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะสติจะเกิดขึ้นเองนะสังเกตไหมมิ้งรเริ่รมรู้จักสภาวะหลายอย่างละรู้จักใจลอยใช่ไหมพอใจลอยนะั้สติมันเกิดขึ้นเองนะอย่างหลวงพ่อนะที่เล่าให้ฟัง หลวงพ่อมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนหัดดูนะดูเห็นจิตเนี่ยมันไหวยุกยกยุกยิกยุกยิกนี้ทั้งวันเลยดูอยู่ตั้งเดือนหนึ่งนะโอ้เหนื่อยจังเลยรู้สึกว่าโอ้ไว้ขอไม่ดูหน่อยได้ไหมวันนี้ไม่อยากปฏิบัติอ่ะมันไม่ยอมหรอกนะมันดูทั้งวันเนะ่ะบังคับไม่ได้นะแต่พอเหนื่อยเต็มทีแล้วทาสมาธยก็คือพักผ่อนถ้าเราทาสมาธิไม่ได้นะมันไม่ยอมพักหรอก เคยมาถามเป็นที่พักแต่ส่วนใหญ่ไปพักจนไม่ยอมทํางานคือพักรูกเดียวอา้าวแม่มิงอ่ะใจลอยละรู้จักไหมล อ, ลอยบ่อยใช่ไหมรู้จักแล้วใช่ไหมยมนึกออกไหมว่าคนในโลกนี้นะใจลอยทั้งโลกเลยนึกออกไหมเนี่ยสมา ถ, ถึงพูดเรื่อยๆแล้วในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนเผลอไม่ได้แกล้งว่านะเรื่องจริงๆเลยเนี่ยใจลอยอีกละวรู้ไหม นีไปคิดน่ะขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเห็นไหมเรารู้แต่เรื่องที่คิดเราลืมตัวเราเองเนี่ยเนี่ยทำอะไรตอนนี้ไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ ย, ม, ย <laughs> มันลอยๆอยอสิใจลอยอ่ะสิ <laughs> ชื่อมันก็บอกแล้วว่าลอยๆอย <laughs> ตูนน่ะตูนเป็นไงดีเด้อดีก็ดูไปนะ อันวันนี้ทำไมหลบหลบหีกๆลกๆอ๋อมัมีเหตุผลปวดท้องนะให้ท้องมันปวดไปนะเราเป็นคนดูว่าไง